ยังสุขขังชีวิตะสังขยำหิแปลว่าบุญนำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิตมีบุญอยู่ชูใจก็ไร้ทุกข์ให้เกิดสุขยามตายวายสังขารบุญประคองรองรับเมื่อหลับตาสิ้นชีวานำส่งตรงวิญญาณถ้าไม่มีบุญอยู่ชูชีวิต เมื่อดับจิตแตกตายวายสังขารทุกจะรุมหุ้มห่อทรมานพอสิ้นปรานบาปส่งลงอบายสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของพระธาตุเจดีประจําปีของแต่ละคนนะครับความเชื่อเรื่องพระธาตุเจดีประจําปีนี้ ไม่มีในคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแต่เป็นคติความเชื่อดั้งเดิมของชาวล้านนาหรือว่าคนทางภาคเหนือความเชื่อนี้จะมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ปรากฏแต่พบว่ามีบันทึกอยู่ในตำราพื้นเมืองโบราณก็มีใจความว่าก่อนที่วิญญาณของคนเราเนี่ยจะมาปฏิสนธิในคันของผู้ที่เป็นแม่ วิญญาณจะลงมาชุกธาตุคือหมายถึงการที่ดวงวิญญาณจะลงมาพักอยู่ที่เจดีย์แห่งใดแห่งหนึ่งโดยที่มีทั้งเหนือเขาเรียกตัวเปิ้งตัวเปิ้งนี่ก็คือสัตว์ประจํานักษัตริย์อย่างเช่นปีชวดก็มีหนูปีฉลูก็วัวปีขานก็เสือเนี่ยตัวเปิ้งหรือ ว, ว่าสัตว์ประจํานักษัตริย์ของแต่ละคนเนี่ยก็จะพามาพักไว้ ที่พระธาตุเจดีย์ที่ว่าและเมื่อได้เวลาดวงวิญญาณก็จะเคลื่อนจากพระเจดีย์ไปสถิตยอยู่บนกระหม่อมของคนที่เป็นพ่อเป็นเวลาเจ็ดวันก่อนที่จะเคลื่อนเข้าสู่คันของแม่นั่นคือการเกิดแล้วก็เมื่อคนคนนั้นเสียชีวิตลงแล้วดวงวิญญาณก็จะกลับไปพักอยู่ที่เจดีย์พระาธาตุเนี่ยตามเดิมเพราะฉะนั้น บุคคลซึ่งเกิดในปีนักษัตริย์ใดก็ตามสมควรจะหาโอกาสไปกราบไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของตัวให้ได้อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งเชื่อกันว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตมีอานิสงส์สูงแล้วก็จะทําให้มีอายุยืนนานรวมถึงเชื่อว่าถ้าหากว่าสิ้นชีพไปแล้วดวงวิญญาณจะได้กลับไปยังพระธาตุองค์นั้นไม่ต้องเร่ร่อนไปในทุกติภพอื่นๆ ไปพักอุูที่นั่นก่อนก่อนที่จะไปสเสวยบุญสเสวยบาปกันต่อไปก็กลับไปอยู่ที่เจดีย์ที่ว่านี้ก่อนซึ่งความเชื่อเหล่านี้เองที่แพร่หลายไปสู่หลายพื้นที่ของประเทศกอให้เกิดคติความเชื่อแบบเดียวกันนี้แต่ว่าจะแตกต่างกันบ้างในส่วนของเจดีย์ประจำปีต่างๆแล้วก็อันนี้เป็นเฉพาะประจำปี ส่วนความเชื่อเรื่องพระธาตุประจําวันเกิดคือวันจันทร์วันอังคารวันพุธเนี่ยก็ยังมีอีกชุดหนึงนะครับแต่อันนี้เป็นเจดีย์ที่อยู่ในเขตจังหวัดนครพนมเพียงจังหวัดเดียวที่นี่เมื่อพิจารณาถึงความเชื่อเรื่องนี้แล้วถือได้ว่าเป็นความชาญฉลาดของบรรพชนชาวล้านนาที่สอนให้ลูกหลานมีความเคารพในพระรัตนตรัย และเหตุที่ให้นับถือพระเจดีย์องค์ใดองค์หนึ่งเป็นพิเศษอาจจะเป็นไปได้ว่าการเดินทางไปสักการะพระเจดีย์แต่ละองค์ในสมัยโบราณเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่เนื่องจากเดินทางลำบากจำเป็นจะต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะอย่างสูงเพราะฉะนั้นการได้ไปกราบไหว้พระธาตุเจดีย์แม้เพียงองค์ใดองค์หนึ่งนี่ก็ย่อมกอ่อให้เกิดความชื่นอกชื่นใจแก่สาธุชนผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการเดินทางไปกราบไหว้ ภาพพระธาตุเจดียด์ที่ตั้งระ ง, งานอยู่เบื้องหน้าของแต่ละคนนี่จะก่อให้เกิดความปิติสุขแล้วก็ความอิ่มอกอิ่มใจติดดรึงตราอยู่ภายในใจและเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายถึงกาละแตกดับไปตามธรรมชาติจิตก่อนตายของคนเราก็จะไขว่คว้าหาบุญหากุศลที่เคยทำมาเมื่อนั้นภาพของการไปกราบไหว้พระธาตุเจดียด์แล้วก็ความรู้สึกสุขใจในบุญกุศล ที่เคยทำมาก็จะปรากฏสว่างสวายในจิตก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไปสู่สุขติพบได้ไม่ยากเรามาเริ่มกันตั้งแต่ปีที่หนึ่งนะครับปีชวดนะคนเกิดปีชวดหรือว่าปีไจนะ่ทางเหนือเขาเรียกปีใจปีชวดนี่ก็คือหนูน ก, กษัตย์หนูนะ ท่าน้ำนะครับให้ไปไหว้พระธาตุสีจอมทองอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พระเจดีย์นี้เป็นที่ประดิษฐานกระดูกกระหม่อมเบื้องขวาหรือว่าพระทักษินโมลีธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารเนี่ยเดิมชื่อวัดพระธาตุเจ้าสีจอมทอง อยู่บนถนนเชียงใหม่ฮอตตำบลบ้านหลวงอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ไปประมาณห8บกิโลเมตรเรียกกันตั้งแต่อดีตว่าดอยจอมทองอว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นราวพุทธศตรวรรษที่20สนะิบเก่าแก่มากเหมือนกัน ตามประวัติว่าสร้างขึ้นโดยพระเจ้าดีหลกปนัดดาธิราชหรือว่าพระเมืองแก้วกษัตริย์ราชวงศ์เมงรายเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่เมื่อปี2060มวลสารวัต ถ, ถุจากโบราณสถานและโบราณวัต ถ, ถุที่วัดเนี่ยเมื่อมีงานเฉลิมฉลองได้นำมาเป็นส่วนประกอบในการทำพระสมเด็จจิตรดา อันนี้หมายถึงวัตถุมงคลธาตุจากที่วัดนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลตามตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาอย่างดอยนี้แล้วก็ส่งพยากรว่าที่นี่จะเป็นที่ประดิษฐานพระโมรีธาตุของพระองค์ในภายหน้าต่อมาเมื่อปีพ9 9เก้ารอย้าสิบห้านางเมงในสอยได้พบพระบรมธาตุ ก็ได้ก่อพระเจดีย์แล้วก็สร้างเสนาสะนะที่ดอยต้นทองคนทั้งหลายก็เลยเรียกชื่อวัดนี้ว่าวัดจอมทองในสมัยประเมืองแก้วแล้วก็มีการสร้างวิหารจตุรมุขจอมเมืองเชียงใหม่หลายพระองค์อัญเชิญพระบรมธาตุสีจอมทองะไปยังเมืองเชียงใหม่เพื่อทําการสักการะโดยที่เอาไปพักไว้ที่วัดต้นเข็ญที่อําเภอหางดง เวลาจะแห่พระบรมาธาตุเข้าเมืองเนี่ยก็ต้องไปพักที่วัดนั้นนะวันขึ้นสิบห้าคเดือนสามกับขึ้นสิบห้าคเดือนเจ็ดมีพิธีแห่พระบรมาธาตุไปบูชาข้าวที่อุโบสถให้พุทธศาสนิกชนได้สงน้ำโดยจะมีกล่าวบทอัญเชิญใช้ช้อนทองคำเชิญพระาธาตุจากพระอบมาประดิษฐานในโกงแก้ว ที่ตั้งบนผ่านเงินตามธรรมเนียมเดิมแต่ก่อนนี้เขานำน้ำจากน้ำตกแม่กลางเอามาเจือน้ำหอมหรือว่าแก่นจัน์มาใช้สงนั่นก็คือพระธาตุของคนเกิดวัน เ, เกิดปีชวดนะครับปีหนูต่อไปคนเกิดปีฉลูปีเป้า นักษัตย์วัวนะครับทาาดินให้ไปไหว้พระธาตุลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางพระธาตุลำปางหลวงนี่เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุแล้วก็พระธาตุส่วนหน้าผากและลำคอของพระพุทธองค์ พระธาตุลำปางหลวงประดิษฐานอยู่ที่วัดลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางห่างจากตัวจังหวัดลำปางไปประมาณ18กิโลเมตรองค์พระธาตุเจดีย์สูง22 2่สอวาสองศอกก่อด้วยอิฐถือปูนฉาบด้วยแผ่นทองเหลืองทองแดงตลอดทั้งองค์ตามประวัติกล่าวว่าพระมหากัสริเทระ กับพระเมตียะเทระได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาจากประเทศอินเดียเมื่อครั้งพระเจ้าอาโศกมหาราชโปรดให้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุนำไปประดิษฐานในอาณาจักรต่างๆตามตำนานกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงมอบพระเกศาธาตุให้ชาวลัวคนหนึ่งชื่อในกรอ์ในกรณนี้ได้สร้างพระสถูปเจดีย์สูงเจ็ดอกเพื่อบรรจุพระเกศาธาตุไว้ ต่อมามีพระอรหันต์สององค์คือพระกุมารกัสปะได้นำเอาพระอัฐิธาตุพระนาราชข้างขวาแล้วก็พระเมขียะได้นำเอาอาธัธฐิธาตุลำคอมาบรรจุไว้ในสถูปเจดีย์ไว้อีกเจดีย์นี้ได้มีการสร้างเพิ่มเติมหลายครั้งสำหรับองค์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันทุกวันนี้สร้างเมื่อปี2309 โดยเจ้าเมืองหานศรีทัตมะหาสุรมนตรีซึ่งเจ้านครเชียงใหม่ได้ส่งมาให้ปกครองเมืองลำปางในครั้งนั้นเมื่อปี2019เจ้าหมื่นคำเป็กเจ้านครลำปางสร้างกำแพงสร้างวิหารแล้วก็หล่อพระพุทธรูปองค์หนึ่งอัญเชิญไว้ในวิหารสร้างสราขุดบ่อน้าตัดถนนในบริเวณพระมหาธาตุ เสร็จแล้วเมื่อปี2039เจ้าเมืองหานสีมหาสุรมนตรีมาครองเมืองลำปางก็ชักชวนผู้คนทั้งพระสงฆ์คารวะก่อฐานพระธาตุกว้าง12วาเป็นจำนวนดินแล้วก็อิด1ล้านก้อนเสร็จมีการนำเอาทองคำมาใส่ พระมหาธาตุหลายครั้งปี240มีการหล่อพระลานทองที่เ็าเรียกพระเจ้าลานทองอัญเชิญมาปฏิสถานในวิหารปี2145มหาอุปราชพระยาหลวงนครชัยบุรี ชักชวนผู้มีจิตศรัทธานำทองคำแสนก ร, รมมาบูชาพระมหาธาตุแล้วสร้างฉัตรใส่ยอดพระมหาธาตุปี 2,375 พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเห็นว่าฉัตรแล้วก็ยอดของพระมหาธาตุเนี่ยถูกพายุพัดหักลงมาก็แต่งทูตไปกราบถวายบังคมทูนกระสักกรุงศรีอยุธยาพระราชทานแก้วและทองดี เอาม า, าเพิ่มเติมฉาดอีกสองชั้นจากของเดิมมีห้าชั้นเป็นเจดชั้นงานประจําปีก็มีปีละสามครั้งคือครั้งแรกก็เดือนยี่เป็งคือเดือนสิบสองเป็นประเพณีนมัสการพระบรมธาตุลําปางหลวงวันปากปีวันที่16บหกเมษายนอันนี้เป็นประเพณีสงนำพระบรมธาตุแล้วก็พระแก้วมรกต แล้วก็ครั้งที่สามคือเดือนหกเหนือเป็นประเพณีนมัสการพระพุทธบาทนะพระธาตุลำปางหลวงนี่ตั้งอยู่กลางเมืองโบราณซึ่งเชื่อว่าเป็นเวียงหรือว่าเมืองทางาศาสนาโดยเฉพาะในวัดนี่มีสิ่งที่น่าดูมากมายมีวิหารพระพุทธเป็นวิหารไม้แบบล้านนาที่ตกแต่งด้วยลายคำคือลายทองบนพื้นแดงนเนี่เาเรียกลายคำ แล้วก็ภายในในี่สามารถเห็นภาพเงาพระธาตุที่ลอดผ่านรูผนังปรากฏบนผืนผ้าแล้วก็ยังมีวิหารน้ำแต้มเป็นวิหารโถงมีภาพจิตกรรมเก่าแก่ของล้านนาวิหารหลวงเป็นที่ประดิษฐานซุ้มพระเจ้าล้านทองพระพุทธรูปอปงค์สําคัญของวัดแล้วก็มีภาพจิตกรรมเรื่องพุทธประวัติเป็นชาดกที่เขียนสมัยราชการที่ห้าหอพระพุทธบาท เป็นอีกแห่งที่ปรากฏภาพเงาพระธาตุแต่ว่าห้ามไม่ให้ผู้หญิงขึ้นแล้วก็ที่หอพระแก้วประดิษฐานพระแก้วจากวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองลําปางครับนั่นก็คือพระธาตุลาปางหลวงพระธาตุประจําปีของคนเกิดปีฉลูนะครับต่อไปคนเกิดปีขาน ทางเหนือเขาเรียกปียีปียีปีขันนักษัตย์เสือธาตุไมนะ้อันนี้ต้องไปไหว้พระธาตุช่อแหที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะพระธาตุช่อแหนี่ประดิษฐานพระเกศาธาตุแล้วก็พระบรมธาตุข้อศอกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้า พระธาตุช่อแหยอยู่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ห่างจากตัวเมืองออกไปเก้ากิโลเมตรองค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาเตียเต้ยๆเช่นเดียวกับพระธาตุแช่แห้งสำหรับชื่อที่เรียกนี้บางท่านก็อธิบายว่าเดิมมาจากชื่อช่อแพร่และเมืองแพร่เมืองแพร่เนี่ยอ่าก็คือเมืองแพร่เนี่ยจากรูปแบบสถาปัตยกรรมภายในวัดบ่งบอกว่ามีอายุ ประมาณพันเก้าร้อยมีมีอายุมาตั้งแต่เราพศพันเก้าร้อยแต่ว่าตำนานพระธาตุได้เล่าประวัติอันเก่าแก่ว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาถึงดอยโกสิยะชักขะบันพศแล้วก็พบกับเจ้าลาวชื่อไอคอม ไอ้คอมทราบว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็นำพัตตาหารมาถวายพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าที่นี่ต่อไปจะมีเมืองชื่อเมืองแพร่ตามตำนานกล่าวอีกว่าพระพุทธเจ้าได้ประทานพระเกศ า, าธาตุองค์หนึ่งแก่พระอาหารหันต์และก็พระเจ้าอาโศกมหาราชให้แก่ชาวล้วเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพพานพระอาหารหันต์ก็นาพระธาตุส่วนข้อศอกด้านซ้าย มาปฏิษถานไว้ที่ดอยโกสัยชักะบันพศหรือว่าดอยช่อแพรหรือว่าช่อแ ห, แหงเนี่ยนามของพระบรมธาตุเจดีมีเรื่องเล่าว่ามาจากการที่ขุนล้วนำผ้าแพรมารองรับพระเกศาธาตุก็เลยมีชื่อว่าช่อแพรแล้วก็เพี้ยนเป็นช่อแหในภายหลังแต่บางคนก็ว่ามีชาวบ้านนาผ้าแพรอย่างดีมาผูกบูชาองค์พระาธาตุก็ถึงได้เรียกอย่างนั้น ตามประวัติกล่าวว่าพระธาตุนี้สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าลิไทยกรุงสุโขทยัยหัวหน้าชนชาวละว่าได้สร้างองค์พระธาตุสูง33เมตรฐานเหลี่ยมย่อไมยอ้ย่อมุมไม้12ควางด้านละ10เมตรองพระธาตุบุ ด, ด้วยทองดอกบวบเป็นศิลปะแบบเชียงแสนภายในบรรจุพระเกศาธาตุ การที่ได้ชื่อว่าช่อแห่ก็ได้มาจากการที่ชาวบ้านได้นำแพรชั้นดีจาก12ปันนามาผูกบูชาพระธาตุจึงได้ชื่อว่าช่อแพรแล้วก็กลายมาเป็นช่อแห่ปัจจุบันงานน้ำมศการพระธาตุช่อแห่นี้จัดขึ้นระหว่างวันขึ้น11ค่าเดือน4นะครับ11ค่าถึง15ค่าเดือน4เป็นงานประจำปีที่สำคัญของชาวเมืองแพร ในงานก็มีการแห่ตุงหลวงถวายแด่องค์พระธาตุแล้วก็การแสดงมหระศพต่อไปคนเกิดปีเถาะนะครับปีเถาะภาษาเหนือเขาเรียกปีเม่าน ก, กษัตย์กระต่ายธาตุน้ำคนเกิดปีเถาะให้ไปนมัสการพระธาตุแช่แห้งอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นที่ปฏิสถานพระเกศาธาตุแล้วก็พระบรมธาตุข้อพระหัต์ข้างซ้ายพระธาตุแช่แห้งนี่อยู่หมู่สามบ้านหนองเตา่าตำบนม่วงติดกิ่งอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเดิมเป็นวัดราชคือวัดของชาวบ้านปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงห่างจากตัวเมืองไปประมาณสามกิโลเมตรเท่านั้นองค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาลู่เตี้ย เป็นสีทองสุกปปล่งสามารถมองเห็นได้จากไกลเพราะว่าสูงมากสูงถึงสองเส้นเป็นอนุสรณ์ของความรักความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุขโขทัยในอดีตสถานที่แห่งนี้เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่านมาช้านานเดิมตั้งเป็นศูนย์กลางของเมืองน่านเก่าสมัยเจ้าพระยาการเมืองเมื่อห0รอยปีที่แล้ว แม้ว่าเมื่อตัวเมืองน่านจะย้ายมาตั้งในบริเวณที่ตั้งปัจจุบันแต่ว่าพระาธาตุแช่แห้งก็ยังคงความเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวน่านแล้วก็ผู้คนในจังหวัดใกล้เคียงไม่เสือ่อมคลายองค์พระาธาตุตั้งอยู่ภายในวิหารคดหลังจากนมัส ก, การพระาธาตุและชมสถาปัตยกรรมวิหารหลวงแล้วถ้ามีเวลาก็ขอแนะนําให้แวะเข้าไปพักผ่อนในสวนรุก ข, ขชาติแล้วก็สวนสัตว์แช่แห้งที่อยู่ติดกับเขตวัดทางด้านทิศเหนือ สามารถเดินถึงก็ได้เข้าชมฟรีนะครับไม่ต้องเสียตังค์เป็นสวนรุกขชาติและสวนสัตว์เล็กๆแต่ว่ามีต้นไม้แล้วก็สัตว์ป่าอยู่เยอ ะ, อะต้นไม้ก็เช่นประดูกป่าต้นนนซีมะพร้าวนิ้วมือนางสัตว์ป่าก็มีวัวแดงหมีควายหมีขอเก้งนกยุงแล้วก็นกต่างๆเป็นต้นแล้วก็ไปดูน้ําบ่อแก้วน้ําบ่อกแก้วเนี่ยเจ้าเมืองน่านก็ขุดบริเวณ ลอมเชียงของพบว่าพลอยมีสีน้ำผึ่งขุดลึกไปสี่เมตรมีน้ำผุขึ้นในบอ่อน้ำขึ้นมาเต็มปากบอ่อประชาชนเชื่อถือว่าน้ำในบอ่อนี้เป็นน้ำาพิเศษเขาเรียกน้ำบอ่อแก้วพระธาตุแช่แห้งนี้ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีน้ำอภิเศษน้ำบอ่อแก้วจังหวัดน่นทำน้ำอภิเศษวัตถุมงคลนะ ใช้ธรรมพระสมเด็จจิตระดาจากพงศาวดารเมืองน่านบอกไว้ว่าพระาธาตุองค์นี้สร้างขึ้นระหว่างพศ 1896-1902 เจ้าพญาการเมืองเจ้าผู้ครองนครปัวเดินทางลงมากรุงสุโขทัยเพื่อช่วยพระยาโสปัตตกันทิสร้างวัดหลวง เขาเรียกวัดหลวงอภัยพระยากรุงสุขโขทัยก็มอบพระธาตุพระพิมพ์เงินพระพิมพ์ทองให้เพื่อตอบแทนน้ําใจเชื่อมความสัมพันธ์ทางด้านาศาสนาเจ้าพญาการเมืองก็ได้อันเชิญพระธาตุและพระพิมพ์กลับมายังเมืองปัวแล้วก็สร้างเจดีย์พระธาตุแช่แห้งบนยอดดอยผูเพียงเขาเรียกดอยผูเพียงแช่แห้งประดิษถานองค์พระธาตุ ก็มีพระมาองค์หนึ่งชื่อพระมหาเถระธรรมบานร่วมเดินทางมาจากกรุงสุโขทัยด้วยท่านก็เป็นองค์ที่คอยแนะนำว่าคุณจะทำยังไงตามตำนานกล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับสงน้ำที่ริมฝั่งแม่น้ำน่านทางทิศตะวันออกที่บ้านห้วยไข้แล้วก็เสวยผลสมอแห้งซึ่งพระยาโมลราชนำมาถวายแต่ผลสมอนั้นแห้งมากพระพุทธเจ้าก็นาผลสมอนั้นไปแช่น้าก่อนเสวย แล้วก็ทรงพยากรว่าต่อไปที่นี่จะมีผู้นําพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานแล้วก็เรียกพระสถูปที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแห่งนี้ว่าพระธาตุแช่แห่งนับตั้งแต่เจ้าพยาการเมืองสร้างองค์พระธาตุขึ้นเมื่อหกร้อยปีก่อนก็มีการสร้างเสริมโครงสร้างองค์พระธาตุอีกหลายครั้งด้วยกัน เมื่อปี2513 2153เจ้าสีสองเมืองสร้างเจดีย์องค์ที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยครอบองค์เดิมลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังบุด้วยทองจังโกปิดทองคำเปลเอวอีกชั้นในสีเหลืองอาร่ามตลอดทั้งองค์อีกตำนานเล่า ว, ว่าเมื่อครั้งพุทธการพระพุทธเจ้าได้เสด็จโปรสั์มาถึงภูเพียงแช่แห้งแล้วก็พบกับพระอมร แล้วก็พระมเหสีที่มาส่งน้ำที่เดียวกับที่พระองค์ส่งน้ำอยู่พระอมมละได้ถวายผ้าขาวให้พระพุทธเจ้าใช้ส่งน้ำแต่ว่าผ้านั้นกลายเป็นทองคาพระอนุลก็ขอพระเกศ า, าธาตุบรรจุในกระบอกไม้สงังมอบให้พระอินนำไปเก็บในอุมโมงค์พร้อมผ้าทองโดยพระอินได้กอดพระเจดีย์สูงเจ็ดอกไว้ด้านบนต่อมาปีพศ1896 สมัยพญาการเมืองได้ส่งช่างไปร่วมสร้างวัดหลวงที่สุโขทัยพญาลือไทยมอบพระธาตุเจดพระองค์แล้วก็พระพิมพ์คําพระพิมพ์เงินอย่างละยี่สิบองค์ให้พญาการเมืองนํามาบรรจุไว้ที่ภูเพียงแล้วก็พบพระเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุและพระธาตุข้อมือข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทําอุโมงค์ประดิสถานใหม่แล้วก็ก่อพระเจดีย์เป็นพระธาตุแช่แห่งคู่เมืองน่านมา จนกระทั่งทุกวันนี้งานประจำปีฉลองพระาธาตุก็กลางเดือนหกฝ่ายเหนือนวันขึ้นสิบสี่สิบห้าคำทางวัดมีการจัดงานนมัส ก, การพระาธาตุแช่แห้งในงานมีมหรสศพงานแห่ตรงถวายพระบรมราธาตุและการจุดบังไฟถวายเป็นพุทธบูชาตามธรรมเนียมดั้งเดิมนะครับนั่นก็คื อ, อพระาธาตุของ คนที่เกิดปีเถาะต่อไปคนเกิดปีมารงท่านบุฟังปีมารงนี่ทางเหนือเขาเรียกปีสีนกษัตย์พญานาคหรือว่างูใหญ่ธาตุดินนะครับให้ไปบูชา พระเจดีวัดพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุบางตำรากล่าวว่าองค์พระสิงห์หรือว่าพระพุทธสิหิงเนี่ยคือพระเจดีประจําปีมโรงแต่ถึงจะเป็นพระสิงห์หรือว่าพระพุทธสิหิงหรือเจดีวัดพระสิงห์เนี่ยครับต่างก็ประดิษฐานอยู่ที่วัดเดียวกัน วัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกอยู่ในบริเวณคู่เมืองเชียงใหม่ถนนสามลานตํบลพระสิงห์วัดพระสิงห์เป็นวัดสําคัญของเมืองเชียงใหม่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนาเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนรู้จักกันในชื่อของ พระพุทธสิหิงนะครับประวัติก็คือพญาผายุกษัตริย์เชียงใหม่โปรดเกล้าให้สร้างเมื่อปี1888ให้สร้างเจดีสูง23วาเพื่อบรรจุพระอัฐิของพระราชบิดาคือพญาคำฟูต่อมาอีกสองปีจึงได้สร้างวัด สร้างศาลาการประเรียนหอไตรกุฏิสมบ์เรียบร้อยเราทรงตั้งชื่อว่าวัดวัดลีต่อมาบริเวณหน้าวัดก็มีตลาดเกิดขึ้นชาวบ้านเขาก็เรียกว่าตลาดลีเชียงแล้วก็เรียกวัดว่าวัดลีเชียงแล้วก็มาเป็นวัดลีเชียงพร ะ, ะต่อมาพระเจ้าแสนเมืองมาขึ้นครองนครเชียงใหม่ก็โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงมาจากเมืองเชียงราย เมื่อขบวนช้างอัญเชิญพระพุทธสิหิงมาถึงหน้าวัดลีเชียงก็ไม่ยอมเดินทางต่อพระเจ้าแสนเมืองมาก็เลยให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงประดิษฐานที่วัดลีเชียงประชาชนทางเหนือก็นิยมเรียกพระพุทธสิหิงสั้นๆว่าพระสิงห์แล้วก็เรียกชื่อวัดตามพระพุทธรูปว่าวัดพระสิงห์มาตั้งแต่นั้นพระมหาเถระโพธิรังสีชาวหาริพุญชัย ได้แต่งหนังสือเป็นภาษาบาลีไว้ว่าเมื่อประมาณพศเจ็ดร้อยพระเจ้าสีหระแห่งหลังกาทวีปได้โปรดให้หล่อพระพุทธรูปขึ้นองค์หนึ่งเรียกว่าพระพุทธสีหิงแต่ว่าในหนังสือชินการมาลีปรกรณเรียกว่าศีหะปฏิมาตามนามกษัตริย์ผู้สั่ง ต่อมากษัตริย์เมืองนครศรีธรรมราชได้แต่งทูตไปขอคำภีรพระไตรปิฎกจากลังกาแล้วก็อัญเชิญพระพุทธสิงห์งอีกองค์หนึ่งซึ่งเป็นศิลปะลัาางกากลับมาด้วยแล้วภายหลังมาประดิษฐานอยู่ที่กรุงสุขโขทัยเมื่อพระบรมราชาธิราชเรียว่าขุนหลวงพะ ง, งวัวตีกรุงสุขโขทัยได้หลายสิบปีต่อมาพญาสายลือไทยก็ได้อัญเชิญมาไว้ที่เมืองพิษณุโลกพอพญาสายลือไทยสิ้นประชนุนก็อัญเชิญมา ที่กรุงศรีุธยาแล้วต่อมาพระยาณาดิตได้กราบทูลพระเจ้ากรุงศรีติยาขออัญเชิญมาไว้ที่เมืองกําแพงเพชรต่อมาเจ้ามหาพรมได้อัญเชิญไปไว้ที่เมืองเชียงรายด้วยเหตุนี้จึงปรากฏวัดที่ประดิษฐานพระพุทธสิ่หิงอีกแห่งหนึ่งที่เมืองเชียงรายมีชื่อว่าวัดพระสิงห์เหมือนกันแต่เป็นวัดพระสิงห์เชียงราย แล้วก็โปรดให้หล่อพระพุทธสีหิงจำลองขึ้นเมื่อเจ้ามหาพรหมถึงแก่พิราลัยไปแล้วพระพุทธสิหิงจึงได้มาประดิสถานที่วัดหลี่เชียงพระในนครเชียงใหม่เหมือนเดิมต่อมาพระชัยเชิดากริสัล้านช้างเชื้อสายล้านนาคือมีเชื้อสายทางเวียงจันท์เป็นเจ้าลาวทรงนำพระพุทธสิหิง และพระพุทธรูปจากเชียงใหม่หลายองค์ไปไว้ที่เมืองลาวคือหลวงพระบางเมื่อทางเชียงใหม่ทวงถามก็คืนพระพุทธสิงห์งมาเพียงองค์เดียวต่อมาสมเด็จพรรายมหาราชยกทัพมารบเชียงใหม่ก็อัญเชิญพระพุทธสิงห์งลงไปไว้ที่อยุธยาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้อยู่นานถึงร้อยห้าปีจนถึงกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อปีสองพสิบ ทัพทหารเชียงใหม่ที่มาในกองทัพพม่าอันเชิญกลับนครเชียงใหม่ทางเรือแล้วก็ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระสิงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งบัดนี้พระพุทธสีหิงเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองในตำนานสีหิงคณิธานและพงศ์สวดานโยนกได้เล่าประวัติว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จบริณิพานไปเจร้อยปีพระเจ้าสีหละและกษัตริย์องค์อื่น อยากจะทอดพระเนตรรูปของพระพุทธเจ้ามีแต่พญานาคที่เคยเห็นพระองค์ก็แปลรูปเนรมิตตนเป็นรูปพระพุทธเจ้าพระเจ้าสีหัละได้ทําการบูชาเจวันเจคืนแล้วก็ให้ช่างภาพถ่ายแบบพระพุทธรูปเอาไว้ต่อมาพระร่วงสุขโขไทยได้ยินกิตติศัพท์ของพระพุทธสีหิงอยากจะได้บูชาก็บอกกับพระเจ้าสิริธรรมแห่งเมืองนครศรีธรรมราช พระเจ้าสิริธรรมก็ส่งทูตไปขอจากลังกาแล้วก็อัญเชิญไปให้พระเจ้าสุขโขทยัยต่อมาพระพุทธสิงห์ก็ถูกอัญเชิญไปยังเมืองสําคัญสาคัญจนกระทั่งเจ้ามหาพรหมอัญเชิญจากกําแพงเพชรมาถวายพญาแสนเมืองมาเชียงใหม่เดิมพญาแสนเมืองมาจะให้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดบุพพารามแต่เมื่อรถที่อัญเชิญมาถึงหน้าวัดลีเชียงพระ รถเกิดติดขัดไม่สามารถชักลากไปได้ก็ให้ประดิษฐานไว้ที่วัดนี้แล้วต่อมาเมื่อปี2 0 6 3พระเมืองแก้วสร้างวิหารหลายคำประดิษฐานพระพุทธสีหิงในวิหารก็มีภาพจิตกรรมสมัยรัชกาลที่ห้าเรื่องสังทองฝีมือช่างล้านนาแล้วก็เรื่องสุวรรณชาดกฝีมือช่างภาคกลาง ช่วงสงกรานตุกปีมีการอัญเชิญพระพุทธสหิงประดิษฐานบนบุษบกแล้วแห่รอบเมืองให้ประชาชนได้สงนามสการะต่อไปคนเกิดปีมะเสงทางเหนือเขาเรียกปีไส้ปีมะเสงนักกริย์งูเล็กธาตุน้ำเขาบอกให้ไปไหว้ ต้นโพที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในรัฐพิหารประเทศอินเดียก็เลยวิหารมหาโพเจดีเนื่องจากสถานที่ประดิษฐานโพธิบัลลังก์อยู่ไกลนอกประเทศก็เลยอนุลมเป็นพระเจดีย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับวิหารมหาโพเจดีได้ แ, แก่พระเจดีย์วัดโพธารามมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ หรือไม่งั้นก็ไปไหว้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ปลูกตามวัดทั่วไปก็ได้เพราะว่าต้นโพธิ์เป็นต้นไม้สําคัญในพระพุทธศาสนาเป็นที่ประทับและัสรูสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้าชาวล้านนายังมีความเชื่อว่าต้นโพธิ์เป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ช่วยกำจัดความทุกข์ได้ก็มีประเพณีถวายไม้คําโพแล้วก็เครื่องประกอบพิธีกรรมใต้ต้นโพธิ์หลายอย่างสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเส็ง ที่บีต้นโพธิพุทธคยาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปีเกิดสามารถบูชาต้นโพธิ์ตามวัดแทนได้ที่วัดมหาพทธารามเชียงใหม่นี้เป็นวัดสำคัญที่เคยมีการสังขยนาพระไตรปิฎกครั้งที่8ดของโลกและพระเจ้าติโลกราชผู้สร้างวัดทรงให้นำต้นโพธิ์จากลังกามาปลูกพร้อมกับจำลองสถานที่เจดแห่งที่พระพุทธเจ้า เสวยมิมุติสุขก่อนที่จะเผยแผ่าศาสนาที่สำคัญก็คือพระเจดีย์ประธานของวัดที่จำลองแบบมาจากเจดีย์พุทธคยามีลายปูนปั้นรูปเทวดาซึ่งงดงามมากวัดเจ็ดยอดด้วยวัดเจดีย์เจ็ดยอดนี่เป็นชื่อวัดที่คนทั่วไปในภายหลังกำหนดเรียกขึ้นตามลักษณะเครื่องยอดส่วนบนหลังคาวิหารที่ปรากฏมาแต่เดิม ในวัดนี้ซึ่งก่อสร้างเป็นพระสถูปเจดีย์มีจํานวนเจ็ดองเจ็ดยอดด้วยกันเป็นที่หมายแต่ชื่อของวัดนี้ที่มีมาแต่เดิมเมื่อคราวแรกสร้างวัดก็คือวัดมหาปูธารามหรือว่าวัดปูธารามมหาวิหารวัดเนี้เป็นวัดบบราณเป็นอารามที่มีความสําคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาต่อมาวัดเจ็ดยอด ได้กลายสภาพเป็นวัดร้างที่ไม่มีภิกษุพำนักอาศัยแต่เมื่อไหร่นี้ไม่พบหลักฐานแน่ชัดแต่ว่าเ ม, เมื่อพุทธศักราช2319นี่หัวเมืองต่างๆในแคว้นลันนาทางภาคเหนือนี่เผชิญกับยุทธภัยทั่วไปหมดครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงประกาศให้ทิ้งเมืองเชียงใหม่เนื่องจากมีกาลังไม่เพียงพอที่จะรักษามเมืองและพะม่า ก, ก็ยกมาลุกรานอยู่เป็นประจา พระภิกษุสา ม, มนเณรและพลเมืองก็พากันอพยพไปอยู่ตามหัวเมืองอื่นจนหมดต่อมาเมื่อสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์พระบรมราชากาวิละได้เป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ตามพระบรมราชาองค์การของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชเมืองเชียงใหม่ก็กลับตั้งเป็นบ้านเมืองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดัะนั้นก็ดีบรรดาวัดวาอารามทั้งที่อยู่ภายในกำแพงเมืองและนอกเมืองก็ยังสภาพเป็นวัดร้างเป็นจำนวนมาก วัดเจดยอดหรือว่าวัดมหาโพธ ร, รามเองก็เป็นวัดร้างมาโดยลำดับเพิ่งจะมีพระภิกษุสัมเนร์มาจามันาะเมื่อไม่นานมานี้เองวัดที่ว่าในวัดเจดยอดเนี่ยเป็นวัดที่อยู่รอบนอกของตัวเมืองเชียงใหม่แต่ว่าขึ้นชื่อลอชาว่ามีทรงเจดีที่สง่างามแบบพุทธคยาของอินเดียสวยงามมากเป็นวัดอรัญจิกแห่งที่สอง คือวัดป่าวัดที่สองรองจากวัดป่าแดงเนื่องจากวัดป่าแดงใช้เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระเจ้าสามฝั่งแกนซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระเจ้าติโลกราชเมื่อพระเจ้าติโลกราชเสด็จสวรรคตแล้วพระเจ้ายอดเชียงรายซึ่งเป็นหลานได้อัญเชิญพระบรมศพของพระองค์สาหีบทองคําไปถวายพระเพลิงที่วัดเจ็ดยอดถวายพระเพลิงแล้วก็สร้างสถูปใหญ่ บรรจุอัฐิไว้บูชาเจดีย์เจ็ดยอดเป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยเชื่อว่าถ่ายแบบมาจากมหาโพธิเจดีย์จากพุทธคยาประเทศอินเดียนะสร้างอย่างสวยงามมากๆเป็นชื่อวัดที่คนทั่วไป กำหนดเรียกขึ้นตามเครื่องยอดส่วนบนหลังคาพระวิหารว่าเจ็ดยอดหรือว่าวัดมหาโพธารามนี้นะเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่าใครที่เกิดปีมะเส็งนะครับมีต้นโพเนี่ยเป็นที่สำหรับการบูชาสการ ะ, ะแทนแทนต้นโพในอินเดียก็ไปที่วัดโพธารามหรือว่าวัดเจ็ดยอดที่ว่าเนี่ยนะครับ ต่อไปคนเกิดปีมะเมียอ้าวอันนี้ก็ต้องไปไกลนะคนเกิดปีมะเมียทางเหนือเขาเรียกปีสง g a นกษัตย์มาธาตุไฟอันนี้ให้ไปไหว้พระธาตุเจดีย์ชเวดากองกรุงย่างกุ้งประเทศพมา่าอ้าวไกลอีกเหมือนกันพระเจดีย์นี้ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า แต่ว่าไปอยู่โน่นนะเมืองเชียงกุตระเมืองยางกุ้งประเทศพมา่าบรรจุประเกศาธาตุพระพุทธเจ้าแปดเส้นตามตำนานนะิยดีเชเวดากองนะเขาบอกสร้างมาสองพันห้าร้อยปีแล้วแต่นักโบ ร, ราณคดีชเชื่อกันว่าสร้างขึ้นศตวรรษที่หกถึงที่สิบนี่เองสร้างโดยชาวมอน ตามตำนานนั้นเริ่มจากว่ามีสองพี่น้องพ่อค้าสองคนได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ามาพระองค์ประทานพระเกศามาแปดเส้นแล้วก็มาสร้างเจดีย์ใส่พระเกศาต่อมาเจดีย์ก็ถูกทิ้งร้างมานานจนพระเจ้าพินยาอูถึงราชการของพระองค์ได้ทรงโปรดกล้าวให้สร้างพระเจดีย์ใหม่สูงสิบแปเมตร แล้วก็ซ่อมแซมเรื่อยมาจนมีความสูงถึง98เมตรต่อมาแผ่นดินไหวไหวเล็กๆน้อยๆเรื่อยมาก็ทำให้พระเจดีย์ได้รับความเสียหายต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างหนักยอดพระเจดีย์หักถล่มลงมาบนยอดสุดของพระเจดีย์มีเพชรอยู่ 5,400 หัวเมตรโดยเฉพาะ ชั้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่เจดสิบสองกะรัตและทับทิมสองพันสามร้อยขวามตดผู้ที่เข้านนมส ก, กรรมและเยี่ยมชมจะต้องถอดรองเท้าทุกครั้งเมื่อมาถึงทางเข้าให้เดินตามเข็มนาฬิกาอรอบๆพระเจดีย์ก็มีสารเจ้าเล็กๆอยู่รายรอบส่วนใครที่ไม่สามารถจะไปพม่าได้ไปไหว้ที่ไหนล่ะครับ ไปไหว้พระบรมธาตุที่อําเภอบ้านตากเขาเรียกบ้านท่าพระธาตุตำบลเกาะตะเภาอําเภอบ้านตากนะให้ไปไหว้ที่นี่แทนจังหวัดตากเป็นจังหวัดที่อยู่ประมาณครึ่งทางแล้วจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นี่นะ วัดทีวาเนี่ยวัดพระบรมธาตุเป็นวัดที่ชาวอำเภอบ้านตากและอำเภอใกล้เคียงให้ความเคารพสักการะโดยจะมีเทศกาลนมาสการพระบรมธาตุในระหว่างเทศกาลสงการานต์เป็นประจำทุกปีเป็นวัดเก่าแก่สวยงามที่สุดในจังหวัดตากเป็นพระธาตุประจำปีเกิดคนปีมะเมียเรียนแบบสร้างเรียนแบบมาจากเจดีย์ชวิดะกองในพม่าแล้วก็มีการต่อเติมเสริมองค์เจดีย์ให้สูงใหญ่มีเจดีย์องค์เล็กๆรายรอบเหมือนเหมือนกัน สิ่งสาคัญของวัดพระบรมธาตุก็คือเจดีโบราณองเดิมเนี่ยเป็นเจดีเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแต่ว่าพระบรมธาตุองค์ปัจจุบันในสร้างครอบองเดิมไว้งานสงนามพระบรมสารีริกธาตุจะมีการฉลองอวันที่15เมษายนของทุกปีตามตำนานพระเจ้าเรียบโลกกล่าวว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้และประกาศ พระศาสนาแล้วก็เสด็จไปแสดงธรรมในที่ต่างๆเสด็จมาถึงดอยมหิยะกะซึ่งเป็นสถานที่สร้างพระบรมธาตุเจดีย์บ้านตากเนี่ยทรงเห็นว่าเป็นที่ร่มรื่นก็ตรัสกับพระอาหารหันต์ซึ่งตามเสด็จครั้งนั้นว่าถ้าหากว่าเราปรินิพานไปแล้วให้นําเอาพระบรมอัถิธาตุบางส่วนกับพระเกศาสี่เส้นมาบรรจุไว้ที่นี่เพื่อให้ประชาชนสักการะบูชา วัดนี้ตามคำบอกเล่าของนักคนกว่าเรื่องโบราณสถานโบราณวัตถุว่าสร้างเมื่อพุทธศตรวตรรษที่18สถานที่ตั้งก็อยู่บ้านท่าประทาตมบนเกาะตะเภาอาเภอบ้านตากจังหวัดตากนะครับที่วัดนี้ก็มีพระเจ้าทันใจด้วยเป็นที่เรื่องลือท่านมีชื่อเสียงในเรื่องของโชคลับต่อไปคนเกิดปีมะแมปีมะแมนี้ ภาษาเหนือเขาเรียกปีเม็ดปีเม็ดนักษัตริย์แพะธาตดินให้ไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาต่อันเชิญมาจากสุขโขทยัยองค์พระบรมสารีริกธาต่อัญเชิญมาได้ทำปฏิหารแบ่งเพิ่มจากหนึ่งองค์เป็นสององค์ต่อหน้าพระพักพระเจ้ากืนา พระบรมสารีริกธาตุองค์ที่แสดงปฏิหารแบ่งเพิ่มได้เนี่ยได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่พระเจดีย์วัดสวนดอกส่วนองค์เดิมก็อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่ดอยสุเทพนะวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารนี่เป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพเป็นหนึ่งในวัดของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสําคัญมากที่สุดทางขึ้นเจดีย์นี่เป็นบันไดานาคเจ็ดเสียน ก่อปูนประดับกระจกวัดนี้สร้างสมัยพระเจ้ากืรนากระสัองค์ที่แดของอาณาจักรล้านนาพระองค์เก็บพระบรมสารีริกธาตุไว้บูชาส่วนพระองค์ถึงสิบสามปีแล้วก็เอามาบรรจุไว้ที่นี่ด้วยการทรงอธิษฐานเสียงช้างมงคลเพื่อเสียงทายสถานที่ว่าจะเอาไปไว้ที่ไหนดี พอช้างมงคลเดินมาถึงยอดดอยสุเทพมันก็ร้องสามครั้งพร้อมกับทำทักษินาวาสามรอบแล้วก็ล้มลงตายพระองค์ก็ปล่ยกล้าวให้ขุดดินลึกแปดศอกกว้างหกวาสามศอกหาแท่นหินใหญ่หกแท่นมาวางเป็นรูปหีบใหญ่ในหลุมและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงประดิษฐานไว้จากนั้นก็ถมไดหินแล้วก่อพระเจดีย์สูงห้าวาครอบบนนั้นด้วยเหตุนี้ก็ก็เลยห้ามพุทธศาสนิกชนที่ไปน้มการ สวมรองเท้าในบริเวณพระธาตุและไม่ให้สตรีเข้าไปในบริเวณนั้นปี2100พระมหายาณมงคลโพวัดอโศกรามเมืองลำพูนสร้างบันไดหน้าทั้งสองข้างให้ประชาชนขึ้นไปสักการะได้สะดวกจกนกระทั่งถึงสมัยครูบาศรีวิชัยท่านสร้างถนนขึ้นไปถนนที่สร้างมีความยาวถึงสิบ กิโลเมตรนะพระบรมธาตุดอยสุเทพเป็นปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งของเมืองเชียงใหม่ปริสถานอยู่บนดอยสุเทพสูงจากระดับน้ำทะเลพันเมตรนะห่างจากตัวเมืองเก่าประมาณสิบกิโลเมตรขึ้นไปแล้วมองเห็นตัวเมืองได้ชัดเจนนะมีบันไดหน้าเจ็ดเสียนขึ้นไปถึงซุ้มประตูวัดจำนวนสา0ร้อยขั้นนะบันไดนะ กูบาศิวิชัยบอกบุญชักชวนชาวเหนือให้ช่วยกันสร้างถนนจากเชิงดอยไปจนถึงยอดดอยหน้าที่ตั้งพระบรมธาตุตามตำนานกล่าวว่าเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระบุทธเจ้าซึ่งท่านเสด็จมายังดอยอุชุปัพัตตะบันพศเพื่อฉันพรตาหารพร้อมด้วยพระสาวกที่นี่ก็มีย่าแสแม่ลูก ได้จักบาทถวายพระตาหารแด่พระพุทธเจ้าพระองค์จึงมอบพระเกศาธาตุให้ประดิษฐานไว้ที่ดอยแห่งนี้มีความเชื่อว่าถ้าหากบูชาพระธาตุในที่ตั้งสี่แล้วจะทําให้มีสติปัญญาดีชาวเชียงใหม่ก็ถือคบไฟเดินขึ้นดอยเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุในวันเพ็ญวิสาขะเริกวันวิสาขะของทุกปีวันวิสาขะบูชานี้สมัยก่อนมีประเพณีการขึ้นพระธาตุโดยชาวบ้านจะเดินลัดเลา ะ, ะป่า ขึ้นองค์พระธาตุนะนั่นก็คือพระธาตุของคนที่เกิดปีมาแมนะครับพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยววันนี้มาคุยถึงเรื่อง พระาธาตุประจําปีกันต่อนะครับพระาธาตุเจดีย์ประจําปีเกิดเนี่ยเป็นความเชื่อดั้งเดิมของชาวล้านนาความเชื่อนี้จะมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ปรากฏพบว่ามีบันทึกอยู่ในตําราพื้นเมืองโบราณสรุปใจความได้ว่าก่อนที่วิญญาณของมนุษย์เราเนี่ยจะมาปฏิสนธิในครันของผู้เป็นแม่น่ะ วิญญาณจะลงมาแล้วมาเขาเรียกชุกธาตุชุกธาตุนี่หมายถึงการที่ดวงวิญญาณจะลงมาพักอยู่ที่เจดีย์แห่งใดแห่งหนึ่งโดยที่มีสัตว์ประจํานักษัตว์อ่าที่เรียกตัวเปิงเนี่ยนะครับสัตว์ประจํานักษัตริย์เช่นว่าปีชวดก็มีหนูปีฉลูมีวัวปีขานก็มีเสือนํามาอ่าพามาพักไว้ อยู่ที่เจดีย์นี้ก่อนเพรได้เวลาดวงวิญญาณก็จะเคลื่อนจากพระเจดีย์ไปสถิตยอยู่บนกระหม่อมของคนที่เป็นพ่อเนี่ยเจ็ดวันก่อนที่จะเคลื่อนเข้าสู่ครันของแม่และเมื่อตายแล้วเนี่ยดวงวิญญาณของคนคนนั้นก็จะกลับไปพักอยู่ที่พระเจดีย์องนั้นตามเดิมนะครับวันนี้มาถึงคนที่เกิดปีว อ, อกนะครับนักษัตริย์ลิงธาตดินปีว อ, อกนี่ ภาษาทางภาคเหนือเขาเรียกคนเกิดปีสันคนเกิดปีวอกนี่ให้ไปไหว้พระาธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมสถานที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุคือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้าพระาธาตุพนมนีเป็นพระาธาตุเจดีย์ประจําปีเกิดเพียงองค์เดียวที่ประดิษฐานอยู่ในภาคอีสานนะครับนอกนั้นอยู่ภาคเหนือทั้งนั้น พระธาตุพนมประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุพนมวรวิหารริมฝั่งแม่น้ํนาโขงตําบลธาตุและอํอาเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมสถานที่ประดิษฐานองค์พระธาตุอยู่บนภูกํำพระหรือว่าดอยกํำพระอันเป็นเขตแขวงนครศรีโคตรบุญโบราณพระธาตุพนมได้รับการบูรณะและอุปถัมภ์โดยกษัตริย์แห่งล้านช้าง ก็คือกษัตริย์ลาวเนี่ยนะครับปี2223พระครูพลสเมเอกหรือว่ายาครูพลสเมเอกหรือว่าพระครูขี้หอมเมืองลาวเนี่ยนำราศดรจากเวียงจันทร์ 3,000 กว่าคนมาปฏิสังขรณ์พระาธาตุให้สูงขึ้นแล้วก็เป็นรูปแบบที่ว่านิยมในภาคอีสานแล้วต่อมาทางรัฐบาลล้วก็บูรณะให้สูงขึ้นอีก และเมื่อวันที่11สิงหาคม2518เกิดฝนตกหนักพระาธาตุพนมได้สุดพังทลายลงแต่ก็ได้รับการบูรณะโดยภาครัฐภาคเอกชนเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี2522ในเขตวัดมีบ่อนา้ำเขาเรียกบ่อน้ำพระอินทร์ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดของบ่อน้ำที่ใช้น้ำมาเสกน้ำพระพุทธมนตในพระราชบิธีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6จนถึงรัชกาลปัจจุบัน งานนมัสการพระธาตุพนมนิดมีทุกปีวันขึ้นสิบค่ำถึงบันแรมหนึ่งค่ำเดือนสามนะครับตามตำนานว่าเจดีย์นี้ก่อสร้างโดยกษัตริย์ห้าองค์คือพระยาจุลนีพรมทัตพระยานันทเสนพระยาอินทปัตพระยาคำแดงและพระยาสุวรรณพิงคานพร้อมไพ่ไพ่ผลในส่วนลวดลายที่เป็นเรือนธาตุนั้น ตำนานเล่าว่าตกแต่งโดยพระอินทรละเหล่าเทวดามีแผ่นอิฐ ท, ที่จำหลักลวดลายเป็นภาพการะสัดโบราณฝีมือช่างพื้นบ้านศิลปะสมัยทวาราวดีนับว่าเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่เก่าแก่ของภาคอีสานอีกตำนานกล่าวว่าในสมัยนั้นพระพุทธเจ้า พ, พร้อมทั้งพระอานนท์ได้เสด็จมาทางทิศตะวันออกโดยทางอากาศหรือเหาะมา ได้มาลงที่ดอนกอนนาวแล้วก็เสด็จไปหนองคันเทอันนี้อยู่ในเมืองเวียงจันทร์พระองค์พยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตจะเกิดบ้านเมืองใหญ่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาจากนั้นได้ทรงประทานรอยพระพุทธบาทไว้ที่พระบาทโพนฉันพระบาทโพนฉันที่อยู่ตรงข้ามอำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องคายเสร็จแล้วก็เสด็จมาที่พระบาทเวนปลา ซึ่งอยู่เหนือเมืองนครพนมปัจจุบันได้ทรงพยากรว่าเป็นที่ตั้งแห่งเมืองนครพนมแล้วก็ประทับพักแรมที่ภูกำพร้คืนหนึ่งวันรุ่งขึ้นเสด็จข้าแม่น้ำโขงไปบินทบาทที่เมืองศรีโคตบุญพักอยู่ที่ร่มต้นรังต้นหนึ่งแล้วก็กลับมาฉันอาหารที่ภูกำพร้พระอินได้เสด็จมาเฝ้าและทูลถามพระพุทธองค์ถึงเหตุที่มาประทับที่ปูกำพร้ พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์ในพัตตกะที่นิพพานไปแล้วบรรดาสาวกจะนําพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ที่ภูคำพระพระพุทธองค์เมื่อ น, นิพพานแล้วพระมหากระสปะผู้เป็นสาวกก็จะนําเอาพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ที่นี่เหมือนกันจากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ทรงปรารภถึงเมืองศรีโคตบุญและนครพนมแล้วก็เสด็จไปหนองหานหลวง ทรงเทศนาโปรดพยาสุวรรณพิงคันและพระเทวีประทานรอยพระพุทธบาทไว้ที่นั่นแล้วก็เสด็จกลับพระเจตวันหลังจากนั้นก็เสด็จปรินิพานที่เมืองกุสินาราเมื่อพระพุทธองค์เสด็จปรินิพานแล้วมรณะกษัตริย์ทั้งหลายก็ถวายประเพลิงพระศรีระแต่ไม่สําเร็จจนเมื่อพระมหากัตริยมาถึงได้อธิษฐานประพระธาตุองค์ใดที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานที่ภูกำพระขอพระธาตุองค์นั้นเสด็จมาอยู่บนฝ่ามือ ดังนี้แล้วพระอุรังคธาตุที่ว่าก็เสด็จมาอยู่บนฝวามือขวาของพระมหากรสปะและเวลานั้นไฟธาตุก็ลุกขึ้นโชดช่วงเผาพระศรีระได้เองเป็นอัศจรรย์เมื่อถวายพระเพลิงและแจกพระบรมสารีริกธาตุเสร็จเรียบร้อยแล้วพระมหากัสปะพร้อมด้วยพระอราหันห้าร้อยองค์ก็ได้อัญเชิญพระอุรังคธาตุมาทางอากาศแล้วก็มาลงที่ดอยแท่นหรือว่าภูเพกในปัจจุบันเนี่ยจากนั้นก็ไปบินทบาทที่เมือง หนองหานหลวงเพื่อบอกกล่าวแก่พญาสุวรรณปิงคันตำนานตอนนี้ก็ตรงกับตำนานพระธาตุเชิงชุมแล้วก็พระธาตุนารายเจียงเวงเมื่อพญาทั้งห้าซึ่งอยู่ที่เมืองต่างๆก็คือพญานันทเสนเมืองศรีโคตรบุรพญาจุลนีพรหมทั์พญาอินท ป, ปัตรนครพญาคำแดงเมืองหนองหานน้อยแล้วก็พญาสุวรรณปิงคานเมืองหนองหานหลวงพากันปั้นดินดิบ ก่อแล้วก็เผาไฟตามคําแนะนําของพระมหากัสปะแบบพิมพ์ดินกว้างยาวเท่ากับฝ่ามือพระมหากัสปะพอปั้นดินเสร็จแล้วก็พากันขุดหลุมกว้างสองวาลึกสองศอกเท่ากันทั้งสี่ด้านก่อดินขึ้นเป็นรูปเตาสี่เหลี่ยมสูงหนึ่งวาเสร็จแล้วพญาสุวรรณพิงคานก็ก่อส่วนบนรวมยอดเข้าเป็นรูปฝารมีสูงหนึ่งวา รวมความสูงทั้งสิ้นสองวาแล้วทําประตูเตาไฟทั้งสี่ด้านเอาไม้จวงจันท์กฤษณากระลำพักคันธรสชมพูนิโครดและไม้รังมาเป็นพื้นทําการเผาอยู่สามวันสามคืนพอสุกแล้วก็เอาหินหมากเขาเรียกหินหมากคอยกลางโคกมาถมหลุมเมื่อสร้างอุมโมงค์เสร็จแล้วพญาทั้งหก็บริจาคของมีค่าบรรจุไว้ในอุมโมงค์เป็นพุทธบูชาจากนั้นพระมหากัะสปะก็อัญเชิญ พระบรมาธาตุเข้าบรรจุภายในที่อันสมควรแล้วก็ปิดประตูอุโมงค์ไว้ทั้งสี่ด้านโดยสร้างประตูได้ไม้ประดู่ใส่ดานปิดไว้ทั้งสีด้านแล้วให้คนไปเอาเสาศิลาจากเมืองกุสินาราหนึ่งต้นมาฝังไว้ที่มุมเหนือตะวันออกนะแล้วก็แปลงรูปอัศมุขีนะอัศมุขีคือยักษินีหน้าเป็นมา้ายักษ์ผู้หญิงนะที่เขาเรียกนางยักษ์กินีเอาไว้โคนต้น เพื่อเป็นหลักชัยมงคลแก่บ้านเมืองในชมบูทวีปนำเอาเสาหินจากเมืองพาราณสีหนึ่งต้นฝังไว้มุมใต้ตะวันออก แ, อแปลงรูปยักษ์ขมูขีไว้โคนต้นเพื่อหมายถึงมงคลแก่โลกนำเอาเสาศิลาจากเมืองตักกศิลามาหนึ่งต้นฝังไว้าทางตะวันตกนะพระยาสุวรรณพิงคันก็ให้สร้างรูปม้าอาชาไยไว้ตัวหนึ่งหันหน้าไปทางทิศเหนือ เพื่อแสดงว่าพระบรมธาตุในเสด็จออกมาทางทิศทางนั้นและพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองจากเหนือลงไปใต้พระมหากระสปะก็ให้สร้างม้าพลาหกไว้ตัวหนึ่งคู่กันหันหน้าไปทางทิศเหนือเพื่อเป็นปริศนาว่าพญาศีโกตะบู์จะได้สถาปนาพระธาตุไว้ตราบเท่าห้าพันปีนะพระธาตุพนมได้รับการบุรณะปฏิสังขรณ์มาตามลาดับแล้วก็ ทำพิธียกสัตว์ทองคําขึ้นประดิษฐานไว้ที่ยอดองค์พระาธาตุมีพุทธศาสนิกชนจากดินแดนสองริมฝั่งโคงทั้งไทยทั้งลาวหลั่งไหลามาร่วมวันทำบุญนมาสการองค์พระาธาตุปี2518องค์พระาธาตุพนมชมรุดล้มลงทางราชการก็ดําเนินการก่อสร้างขึ้นใหม่คงสภาพเดิมแล้วก็ยืนยงคงอยู่มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้งานน้นมาสการพระาธาตุพนมประจําปีนี่ เริ่มตั้งแต่วันขึ้นสิบสองค่ำถึงวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสามนะครับนั่นก็เป็นพระธาตุของคนเกิดปีวอกต่อไปพระธาตุของคนเกิดปีระกาปีระกาหรือว่าปีไก่เนี่ยธาตุเหล็กนะครับปีระกาคนทางเหนือเขาเรียกปีเรา ให้ไปนมัส ก, การพระธาตุ h ริ i p u ช c ยอําเภอเมืองจังหวัดลำพูนสถานที่ปฏิสถานพระบรมธาตุส่วนกระหม่อมหน้าอกนิ้วพระหัต์และพระเกศาธาตุและพระธาตุย่อยอีกเต็มบาทหนึ่งนะพระบรมธาตุริ r ุ p u n c h เป็นพระธาตุคู่เมืองลำพูนมาแต่โบราณมีตำนานเล่าว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมายังชยภูมิของชาวเมงทรงหยุดประทับนั่งที่สถานที่แห่งหนึ่ง พญาชมพูนาคราชและพญากาเผือกได้มาอุปถัมภ์แล้วก็มีชาวล้วคนหนึ่งนำเอาลูกสมอมาถวายพระองค์พระองค์ทรงมีพุทธพยากรวัดที่นี่ในอนาคตจะเป็นนครหริปุนชัยบุรีเป็นที่ประดิษฐานพระสุวรรณเจดีซึ่งบรรจุพระาธาตุกระหม่อมท่ากระดูกท่ากระดูกนิ้วมือและาธาตุย่อยอีกเต็มบาทหนึ่งในครั้งนั้นพญาทั้งสองได้ทูลขอพระเกศ า, าธาตุ นำไปบรรจุในกระบอกไม้รวกและโกรดแก้วใหญ่ไว้ในใต้ถ้ำที่ประทับต่อมาสมัยพระอาทิตยราชผู้ครองหริพุนชัยประมาณปีพศ .2420 พระองค์ได้เสด็จลงห้องพระบรรคชนหรือว่าห้องสุขาเนี่ยแต่มีกาขัดขวางไม่ให้เข้าภายหลังทรงทราบว่าที่แห่งนั้นเป็นที่บรรจุพระบรมธาตุก็ทรงให้รื้อวัง และขุดพระบรมธาตุมาบรรจุโกรทองคำแล้วสร้างมนดบปราสาทเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุริพุญชัยได้รับการบูรณะเรื่อยมาโดยพระเจดีองค์ปัจจุบันบูรณะในสมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งเชียงใหม่ห้าร้อยกว่าปีมาแล้วภายในวัดนี้ก็ยังมีพระสุวรรณเจดีย์เป็นเจดีย์ยุคแรกในศิลปะริปุญชยัยเจดีย์เชียงยันเจดีย์เก่าแก่ทรงปราสาทห้ายอดแล้วก็หอระฆัง ที่แขวนกลางสดานใหญ่ในวันขึ้นสิบสามค่าเดือนหกของทุกปีจะมีงานประเพณีส่งน้ําพระาธาตุภริบุญชัยน้ําที่นํามาสง่งองค์พระาธาตุนี้จะต้องนํามาจากบ่อน้ําทิพย์บนยอดดอยคํำมอที่อยู่นอกเมืองตามธรรมเนียมปฏิบัติแต่โบราณการอีกตําราหนึ่งกล่าวว่าพระาธาตุภริบุญชัยจังหวัดลำพูนเป็นปูชนียสถานที่สําคัญยิ่งอีกแห่งหนึ่งของดินแดนล้านนาไทยมาแต่โบราณการประมาณหนึ่งพันปีมาแล้ว บรรดาเจ้านครต่างๆในดินแดนส่วนนี้ได้มีความเคารพนับถือและศรัทธาได้รับภาระในการปฏิสังขรณ์กันต่อมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้องค์พระธาตุเป็นรูปแบบทรงลังกาฝีมือประณีตและมีความคงทนถาวรมากตามประวัติกล่าวว่าเมื่อปี2044พระเจ้าอาทิตยราชกษัตริย์วงรามันผู้ครองนครลำพูนมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ทรงรับเอาพระพุทธศาสนาจากเมืองมอญมาประดิษฐานที่นครลําพูนได้ทรงสร้างพระมณตดบเพื่อประดิษฐานพระบรมธาตุสูงสามวามีซุ้มทั้งสีด้านครอบโตดสูงสามศอกแล้วบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในดังนั้นก็เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าบรรดาบ้านเรือนในนครลําพูนจะต้องสร้างไม่ให้สูงเกินสามศอกเพื่อให้สูงกว่าองค์พระบรมธาตุ ต่อมาพระนางปทุมวดีพระมเหสีของพระเจ้าอาทิตยราชได้ทรงสร้างพระเจดีย์เหลี่ยมขึ้นองค์หนึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของพระธาตุเป็นพระปรางรูปสี่เหลี่ยมยอดแหลมมีนามว่าสุพรรณเจดีย์ใต้ฐานชั้นล่างเป็นกรุกบรรจุพระเปิมพระเปิมนี่เป็นพระเครื่องชนิดหนึ่งยังมีอยู่จนทุกวันนี้เมื่อปีพศ1722 พระเจ้าสัพสิทธิ์ผู้ครองนครลําพูนได้สร้างโกดทองเสริมต่อขึ้นไปอีกศอกหนึ่งรวมเป็นสูงสี่ซอกแล้วก็สร้างพระมนตดบเสริมต่อขึ้นอีกสองวารวมเป็นห้าวาปีพศ1819พระเจ้าเมงรายมหาราชผู้ครองนครเชียงรายมีชัยชนะได้ครองนครลําพูนได้ทรงสร้างพระมนตดบเสริมต่อครอบพระมนตดบเดิมอีกสิบวารวมเป็นสิบห้าวา พร้อมทั้งสร้างทองจังโอ่หุ้มตั้งแต่ฐานถึงยอดปีพศ1986พระเจ้าอโลกราชกษัตริย์ล้านนาไทยผู้ครองนครเชียงใหม่ไดอาราธนาพระมหาเมรัทางก่อนให้ควบคุมการก่อสร้าง เ, าเติมต่อพระบรมธาตุให้สูงขึ้นไปอีก8ดวารวมเป็นยี่สิบสาว่าฐานกว้างสิบสองว่าชัดเจ็ดชั้น มีแก้วมันนีหนักสองร้อยสามสิบเพืองใส่ไว้ที่ยอดเขามีบันทึกว่าในรายการก่อสร้างศิลาแรงหกหมื่นก้อนอิดหนึ่งแสนก้อนนะแล้วก็รวมค่าก่อสร้างทั้งหมดสี่ล้านเวลานั้นไม่ทราบว่าเขาคิดอ่าเป็นมาตราอะไรแล้วก็เอาทองจังโก้ทองจังโกคือแผ่นทองแดงปนหน้าคุ้มตลอดองค์จำนวนหนึ่งหห้าพันแผ่น เป็นแผ่นใหญ่นะครับเป็นแผ่นใหญ่ถ้าใช้ทองปัจจุบันนะใช้เป็นล้านล้านแผ่นเลยลนะ่ะสร้างเสร็จเมื่อปี1990มาปี2000พระเมืองแก้วเจ้านครเชียงใหม่ได้สร้างส่วนนี้เป็นะระเบียงนอกมีหอกล้อมเป็นรั้วไว้หนาฐานล่างสองชั้นใช้หอก500เล่มต่อมาสมัยพระยาอุปโยเป็นเจ้านครเชียงใหม่ ก็ชวนกันทำระเบียงหอกเนี่ยอีกเจ็ดร้อยเล่มจนเสร็จบริบูรณ์ตามตำนานเช่นพงศวดานโยนกในหนังสือจามเทวีวงมูลาศาสนาจินนการมารินีกล่าวว่าพระบ ร, ะบบรมาธาตุแห่งนี้บรรจุพระบรมเกศาธาตุเดิมบรรจุไว้ในกระบอกไม้ไผ่ร่วกฝังไว้ใต้พื้นดินเมื่อครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงประชนอยู่ได้เคยเสด็จมาณที่นี้ ได้ประทับบนก้อนหินก้อนหนึ่งกระทาพัฒกิจคือฉันอาหารแล้วก็ส่งพยากรว่าจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งปฏิหารผุดขึ้นจากพื้นดินปัจจุบันวัดพระาธาตุริพุนชัยวระมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกตั้งอยู่กลางเมืองลำพูนมีเนื้อที่ยี่สิบห้าไร่วัดนี้มีกาแพงสองชั้นเป็นกาแพงรอบบริเวณวัดชั้นนอกแล้วก็กาแพงทาเป็นสาลาบาต รอบวงพระาธาตุเป็นกำแพงชั้นในประเพณีสงน้ำพระาธาตุมีในวันเพ็ญเดือนหกใช้น้ำทิพย์โดยนาน้ำมาจากยอดด อ, ดอยคามอซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะ ว, วันออกประมาณสิบกิโลเมตรแล้วก็ได้รับพระราชทานน้ำสงกับเครื่องราชสการะมีการแห่แหนครัวทานจุดบอกไฟคือไฟพเนียงเป็นพุทธบูชาแล้วก็มีมหรสพตลอดคืนนะครับ นั่นก็คือพระธาตุประจำปีของคนเกิดปีรากาทีนี้ก็มาถึงคนเกิดปีจออ่าปีจอนี่ภาษาทางเหนือเขาเรียกปีเสร็จปีเสร็จนะครับนักกาสตร์สุนักธาตุดินให้ไปไหว้พระเกศแก้วจุลามณีเจดีสวรรค์ชั้นดาวดึงโอ้โห เราจะไปยังไงกัล่ะพี่อยู่บนสวรรคนะ์นั่นน่ะเขาบอกว่าพระเกศแก้วจุฬามณีนี่ประดิษฐานพระบรมธาตุเขี่ยวแก้วเบื้องขวาแต่ว่าประดิษฐานไว้บนพระจุฬาโมรีคือมวยผมอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตำรากล่าวว่าพระเจดีย์ประจำปีจอเนี่ยพระเกศแก้วจุฬามณีที่ประดิษฐานอยู่บนสวรรค์เนี่ยทำให้มนุษย์ทั่วไปไม่สามารถจะไปบูชาด้วยตัวเองได้ ก็เลยอนุโลมว่ า, าให้ไปไหว้พระเจดีย์ที่มีชื่อพ้องกันคือพระเจดีย์วัดเกศการามหรือว่าพระธาตุอินแขวนประเทศพมา่าแทนได้โอ้โหนี่ขนาดอนุโลมนะไม่ต้องไปสวรรค์จะ ต, ต้องไปพมา่านะแต่ไม่เป็นไรถ้าไม่ไปพมา่าก็ไปวัดพระเจดีย์วัดเกศการามเชียงใหม่นะครับ ตามตำนานกล่าวว่าประดิษฐสถานพระธันตาธาตุหรือพระเกี้ยวแก้วเนี่ยที่พระอินนํามาจากพระบรมธาตุที่โทนพราหมณ์แอบซ่อนไว้เมื่อครั้งมีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าให้เจ้าเมืองต่างๆโทนพราหมณ์นี่แกเป็นประธานในการแบ่งปรากฏว่าแกแอบซ่อนเอาไว้พระเกี้ยวแก้วนี่นะวัดที่ว่าในวัดเกตการาำเนี่ย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิงในเขตย่านการค้าของชาวต่างชาติตามประวัติบอกว่าวัดนี้สร้างโดยพยาสามฝั่งแกนแต่ว่าพระเจดีย์ได้พังทลายลงเมื่อปี2121พระสุธโธก็สั่งให้สร้างขึ้นใหม่เป็นเจดีย์ทรงลังกาแบบล้านนานอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระวิหารใหญ่ที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์มีพิพิธภัณฑ์เก็บของใช้พื้นบ้านให้ชมด้วยอะ ตั้งอยู่บ้านวัดเกตรครับถนนเจริญราษฎร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะวัดเกตการามที่วาเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าจะไปไหว้ที่ปัมม่าก็ไปได้พระธาตุอินแขวนหรือว่าใจทิโยนี่ภาษามอญเขาหมายถึงหินรูปหัวหรูสีพระธาตุอินแขวนนี่ตั้งอยู่ที่เมืองเมืองก็ชื่อนี้แหละใจติโยนเนี่ยอำเภอสะเทิมเกตรัดมอนประเทศปัมม่า บนยอดเขาปงลางแม่ฟังชื่อก็สนุกนะยอดเขาปงลางว่าพวงหลวงเนี่ยอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลถึงสา0พันหกร้อยกว่าฟุตลักษณะเด่นของพระธาตุอินแวนก็คือมีลักษณะเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่สูงห้าเมตรครึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างมินเม่น่ากลัวเหมือนจนอะหล่นแล้วก็ท้าทายแรงดึงดูดของโลกแต่ก็ไม่ตกลงมา เหลือเชื่อจริงๆแถมข้างบนยังมีคนปีนขึ้นไปสร้างเจดีย์บนก้อนหินนี่นะน่ากลัวเหลือเกินตอนที่สร้างนี่ไม่ทราบบัณช่างคิดยังไงคงจะต้องเลือกเอาช่างที่ปร่งแล้วอะ่ะอขึ้นไปสร้างนะพระธาตุอินแขวันี่นับเป็นหนึ่งในหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะแล้วก็ยังเป็นพระธาตุประจําปีจอที่คนเกิดปีจอเนี่ยต้องไปนรัส ก, การกันสักครั้งหนึ่งในชีวิต คือมีตำนานเล่าขานกันว่าฤาษีติสะเนี่ยเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับพระเกศาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามอบไว้เป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ให้ประชาชนสักการะเมื่อตอนที่พระองค์มาแสดงธรรมมาเทศโปรดที่ดินแดนสุวรรณภูมินี้ผู้ที่ได้รับมอบพระเกศามีหลายคนต่างก็นำไปบรรจุในสถูปเจดีย์กันทั้งนั้นส่วนฤาษีติสะกลับไปซ่อนไว้ในมวยผม เมื่อถึงเวลาล่วงเลยที่คราลุศรีติสะจะต้องละสังขารแล้วจะตายแล้วก็ตั้งใจว่าจะนําพระเกศาไปบรรจุไว้ในก้อนหินอแต่ว่าจะต้องเอาก้อนหินที่มีรูปร่างคล้ายกับศรีรษะของเขาเท้าสกตะเทวราช ด, ด้วยพระอินก็ช่วยส่อหาก้อนหินที่ว่ามีรูปร่างเหมือนกับหัวของอิตาลุษีตอนเนี้ย หาที่ไหนก็หาไม่ได้ต้องไปหามาจากใต้ท้องมาหาสมุทรเอามาวางหรือว่าแขวนไว้บนภูเขาหินนะก็เรียกพระธาตุอินแขวนมีลักษณะคล้ายๆกับศีรษะของฤษีปีจอนะครับควรจะไปนมันสการกันต่อไปคนเกิดปีกุลปีไข่ภาษาเหนือเขาเรียกปีไข้นกกริยัหมูนะ ธาตุน้ำให้ไปไหว้พระธาตุดอยตุงอํงเาเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายพระธาตุดอยตงุงในประดิสถานพระบรมธาตุส่วนพระโสแล้วก็พระราขขวัญพระราขขวัญคือกระดูกไหายประระเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าพระบรมธาตุดอยตุงเป็นปูชนียสถานที่สําคัญที่สุดของเชียงรายตั้งอยู่บนดอยสูงซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวเขาประดิสถานอยู่บนยอดดอยตุงในเขตกิ่งอํงเาเภอแม่ฟ้าหลวง มีถนนแยกจากบ้านห้วยใครขึ้นไปจนถึงองค์พระบรมธาตุองค์พระาธาตุเจดีย์ในสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตรตามตำนานมีว่าเดิมสถานที่ตั้งพระบรมธาตุดอยตุงนมีชื่อว่าดอยดินแดงอยู่บนเขาสามเส้นของพวกลาวจกต่อมาสมัยพระเจ้าอุชุตราชราชกาลที่สามราชวงศ์สิงห์วันวัผู้ครองนครอยู่นกนาคนคร พระมหากัสริยได้นำพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของพระราห์ขวัญเบื้องซ้ายคือหายป ร, ราของพระเจ้านมาถวายซึ่งตรงตามคำทํานายของพระพุทธองค์ว่าที่ดอยดินแดงแห่งนี้ต่อไปจะเป็นที่ประดิษฐานพระมหาสถูตบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในภายภาคหน้าพระเจ้าอุชุตราชมีพระราชศราก็เรียกหัวหน้าลาวจกมาเฝ้าพระราชทานทองคําจํานวนแสนกหาปณะนะ ให้เป็นค่าที่ดินบริเวณดอยดินแดงให้แก่พวกเราจกแล้วก็ทรงสร้างพระสถูปขึ้นโดยนำธงตะขาบยาวสามพันวาไปปักไว้บนดอยเมื่อหางธงปิวไปไกลแค่ไหนก็ให้กำหนดเป็นฐานพระสถูปเพียงนั้นดอยดินแดงก็ได้ชื่อใหม่ว่าดอยตุงคำว่าดอยตุงเนี่ยตุงในแปลว่าธงเมื่อสร้างพระสถูปเสร็จเรียบร้อยก็นาพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ให้คนสกราระบูชา ต่อมาสมัยพระเจ้าเมงรายมหาราชแห่งราชวงศ์ลาวจกพระมหาวชิระโพธิเถระได้นำเอาพระบรมสารีริกธาตุมาถวายจำนวนห้าสิบองค์พระเจ้าเมงรายจึงโปรดกล้าวให้สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึ้นอีกองค์หนึง่งเหมือนกับพระสถูปองค์เดิมทุกประการตั้งคู่กันก็ปรากฏอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ชาวเชียงรายมีประเพณีการเดินขึ้นดอยบูชาพระธาตุซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี บางตำนานที่ว่าที่มาของชื่อดอยตุงก็เนื่องจากพระมหากัสปะได้อธิษฐานตุงไว้ยาวเจ0 0วาไว้ที่ยอดดอยแห่งนี้พระบรมธาตุดอยตุงได้รับการบูชาและบุรณะหลายครั้งครั้งล่าสุดปี2513บุรณะเป็นเจดีย์ทรงปราสาทสีทององค์ปัจจุบันเป็นที่เคารพสักการะของชาวล้านนาไทยใหญ่หลวงพระบางและเวียงจันทร์ทุกปีจะมีงานนมสการพระบรมธาตุในวันเพ็ญเดือนสาม นะครับสถานที่ตั้งก็คือตำบลห้วยครายอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเจียงรายบางตำราบอกว่าพระธาตุดอยตุงเนี่ยเป็นพระธาตุประจําคนเกิดปีกุลแต่ว่าข้างขึ้นสําหรับคนเกิดข้างแรมพระธาตุประจําปีเกิดคือพระธาตุดอยกองมูจังหวัดแม่ฮ่องสอนพระธาตุดอยกองมูนี่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองแม่ฮ่องสอนบนดอยอเดิมมีชื่อเรียกว่าวัดปลายดอย เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองที่สาคัญประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงามสององค์พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดยจองตองสู้ตั้งแต่ปี2403เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคกขลาเถระซึ่งนํามาจากประเทศพมา่าส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ2417โดยพระยาสิงหนาถราชาเจ้าเมืองแม่ฮองสอนคนแรกจากวัดพระธาตุดอยกองมูนี่สามารถจะมองเห็นภูมิประเทศแล้วก็สภาพตัวเมืองแม่ฮองสอนได้อย่างชัดเจนสวยงาม วัดนี้มีงานเทศ ก, กาลประจําปีหลายงานเช่นวันปีใหม่วันสงกรานต์โดยเฉพาะในวันออกวันศาจะมีการตักบาตรดาวดึงหรือว่าตักบาตเทโวโด้วยครับที่นี้มาคุยกันถึงเรื่องว่าเหตุที่เกิดปะบรมสารีริกธาจํานวนมากขึ้นเนี่ยพระโบราณอาจารย์ท่านอาธิบายบอกว่าเกิดจากพุทธประสงค์ก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จปรินิพพาน โดยปกติที่พระพุทธเจ้าที่ทรงมีพระชนมายุยืนยาวสามารถประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงจะมีพระบรมสารีริกธาตุที่มีลักษณะรวมกันเป็นแท่งเดียวดุจทองแท่งธรรมชาติซึ่งมหาชนในสมัยนั้นไม่สามารถแบ่งปันนำไปประดิษฐานตามที่ต่างๆได้เลยจำต้องสร้างพระธาตุเจดีย์ขึ้นประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว ซึ่งพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือพระสมณะโคดมเนี่ยทรงเล็งเห็นว่าพระองค์มีเวลาปฏิบัติพุทธกิจเพียงสีบห้าปีนับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆศาสนาของพระองค์ยังไม่แพร่หลายและหมู่สัตว์ทั้งหลายยังเกิดมาไม่ทันสมัยของพระองค์มีมากหากได้อติษธาตของพระองค์ไปอุปถามบูชาจะได้บุญกุศลเป็นอันมากก็ทรงอธิษฐานให้พระบรมสารีริกธาตุของพระองค์แตกย่อยลงเป็นสามสันฐาน เว้นแต่กระดูกหน้าผากคือพระนราส1พระเกี้ยวแก้วสี่พระราขวัญคือกระดูกหายปาราอีกสองชิ้นนอกนั้นก็ให้กระจายไปทั่วที่สารุธิตเพื่อยังประโยชน์แก่หมูสัตว์ทั่วไปความทั้งหมดนี้พองกันจากตำราหลายตำราที่พระอาจารย์สมัยต่างๆได้รันาไว้อย่างเช่นคำพีสุมังคละวิลาสินี คำพีปฐมสมโพธิกระถาของสมเด็จพระมหาสมาเจ้ากรมพระบรามานุชิติโนรสคำพีตำนานมูลศาสนาคำพีชินนการมาลีปรกรณและพุทธตำนานพระเจ้าเรียบโลกเป็นต้นพระบรมสารีริกธาตุแบบที่กระจัดกระจายในหลังจากได้ทำการแบ่งออกเป็นแปดส่วนแยกย้ายไปประดิษฐานตามเมืองต่างๆหลังจากที่ถวายพระเพลิงแล้ว ตามตำนานบอกไว้ว่าพระมาหากษัตริเทระและพระเจ้าอาชาศัตรูได้ร่วมกันทําทาตุนิธานคือการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่แบ่งออกไปนั้นกลับมาประดิษฐานรวมกันไว้ในที่แห่งเดียวเพื่อป้องกันการสูญหายจากการศึกการสงครามและในตอนท้ายของตํานานกล่าวไว้ว่าบุคคลผู้มาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกไป และกระทําการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ยิ่งใหญ่ก็คือพระเจ้าอาโศกมหาราชนั่นเองนับตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมามีประสงค์จํานวนมากมายที่ปฏิบัติตามแนวทางที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางเอาไว้แล้วก็มีความเพียรพยายามอย่างยิ่งจนสามารถยกจิตก้าวบรรลุสู่ภูมิธรรมชั้นต่างๆนับตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปแล้วก็สิ่งที่สามารถยืนยันได้ว่าท่านเหล่านั้นสามารถบรรลุภูมิธรรมชั้นสูงได้ก็คือ กระดูเป็นพระาธาตุนี่พระสงฆ์ปัจจุบันเนี่ยพระสาวกเหล่านี้ได้ปฏิบัติธรรมก้าวขึ้นสู่ชั้นอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาเมื่อมรณาภาพลงหลังจากที่ชาปนกิจแล้วก็บังเกิดสิ่งน่าอัศจรรย์ใจต่างๆเช่นเมื่อกระดูกที่โดนไฟเผาแล้วก็ดีเส้นผมฟันหรือแม้กระทั่งชานหมากที่ไม่ได้โดนเผาไฟด้วยไม่ว่าจะเก็บไว้ตามสถานที่ไหนก็แล้วแต่ค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นผลึก ใหญ่น้อยสีสันต่างๆคล้ายๆกรวดคล้ายๆแก้วเพิ่มลดจำนวนได้เองหรือเรียกให้ถูกว่ากระดูกของท่านเหล่านั้นได้เปลี่ยนแปลเป็นพระธาตุเท่าที่มีการรวบรวมรายนามครูบาอาจารย์ที่พบว่าสิ่งของที่เกี่ยวเนื่องด้วยท่านมีการแปลสภาพเป็นพระธาตุแล้วเนี่ยมีองค์ไหนมั้งครับทั้งหมดมี สี่สิบเกองค์ด้วยกันนะครับเริ่มต้นนี้นะหนึ่งหลวงปู่มั่นภูริทัตโตวัดป่าสุทาวาสสกลนครสองพระสุพรหมยานเถระหรือหลวงปู่พรมมาพรหมจกโกวัดพระพุทธบาทตากผ้าจังหวัดลำพูนสหลวงปู่สิงทองธรรมวโรวัดป่าแก้วบ้านชุมพลจังหวัดสกลนคร สี่หลวงปู่ครูบาบุญปันธรรมปัญโยวัดร้องคุ้มจังหวัดเชียงใหม่ห้าหลวงปู่คำตันทิตะธรรมโมวัดป่าดานศรีสำรานหนองคายหพระโพธยานเถระหรือหลวงพ่อชาสุภัทโววัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีเจ็ 7. หลวงปู่เค่งโคสะธรรมโมวัดป่าศรีพนมจังหวัดสกล น, นคร8 พระญาณสิทธาจารย์หลวงปู่สิมพุท ธ, ธาจารโอวัดถ้ำผาปล่องเชียงใหม่9พระอุดมสังวรวิสุทธิเถระหรืออาจารย์วันอุตมโมวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร10พระครูอินทบุติกรหรือตวนอินทปัญโยวัดกล้วยอายุทยา11พระพุทธวิเวกพุทธกิจหรือหลวงปู่เสากันตาิโล วัดดอนทาบจังหวัดอุบลราชธานี12หลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกรองเพนจังหวัดอุดรธานี13หลวงปู่จวนกุลเชษฐโถววัดเจติยาคิรีวิหารจังหวัดน้องไข่14พระราชสังวรายานหรือหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมา15พระครูศาสนูปกรณ์ หลวงพ่อบุญจันทร์กามโลวัดสันติกาวัดอุดรธานี16หลวงปู่คำฟองมิตรภานีวัดป่าศรีสะอาดจังหวัดสกลนคร17พระราชวุฒาจาันทร์และหลวงปู่ดูลัตุโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์18หลวงปู่หลุยจันท์สาโรวัดถ้ำผาบิงจังหวัดเลย19หลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปัง จังหวัดเชียงใหม่ยี่สิบหลวงปู่มหาบุญมีสิริธโรวัดป่าวังเลืองมหาสารคามยี่สิบเอ็ดหลวงปู่สามอกินจโนวัดป่าไรวิเวกจังหวัดสุรินทร์ยี่สิบสองหลวงปู่กองจันทวังโศวัดสะมนทนจังหวัดอยุธยาย3สิบสามพระครูพรหมเทพจาจย์หลวงพ่อเทพชาวโรวัดทาาแคนอกเทพนิมิต ลบบุรี24หลวงปู่เมตตาหลวงวัดเทพพิทัก์บุญนารามนครราชสีมา25สมเด็จพระมหาหมุนีวงหรือว่าสนันจันทปัจโ ช, ชโตวัดนรนาศุนทริการามกรุงเทพ26หลวงพ่อประยุทธ์ธรรมยุตโตวัดป่าผาราดจังหวัดกาญจนบุรี 27. สเจ็ดหลวงปู่ล่าเขมะปะโตวัดบรรพตกิรีหรือผู่เจาอก่อจังหวัดมุกดาหารยี่สิบพระภาวนาวิสุทธิเถระวัดเทพศรินทราวาดกรุงเทพยีสพระครูขันตยาพรหรือคำขันติโกสุสานไตรลักษ์เชียงใหม่สาสบพระครูสุขันทศินหรือว่าครูบาคำแสนอินทจักโกวัดสวนดอก เชียงใหม่สาอหลวงปู่กุลจิรากุโลวัดสารพันท้ายนารสิง์สมุทรสาคร32หลวงปู่ปั่นสุจิโนโวัดพรพร่วงประสิทธิ์กรุงเทพสามพระครูประสิทธิทธรรมยานหรือหลวงพ่อแบนกันตสรโรวัดมโนธันมารามหรือวัดนางโนจังหวัดกาญจนบุรี34มพระครูพิสิทธิ์อัตการหรือหลวงพ่อคล้ายจันทสุวรรณโนวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราช สาสิบห้าพระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อวีระถาวโรหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดจันทารามหรือวัดท่าสุงจังหวัดอุทยัยธานีสาหพระครูนิยต ธ, ธรรมสุนทรหรือหลวงพ่อยิจันทสุวรรณวัดหนองจอกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาสิเจ็ดหลวงปูป่ปราโมทปาโมทโช ว, วัดป่านิคโครทารามจังหวัดอุดรธานีสาสิบแปดพระครูสุวรรณโนปมาคุณ ดดวยหลงปู่คำพองติโสวัดป่าพัฒนาธรรมหรือว่าถ้ำกกดูอุดรธานีส9พระสุธรรมคณาจารย์เรหลวงปู่เหรียญวรร า, าโพวัดอรัญญบันพศหนองคาย4ี่พระนภีศรีพิสารคุณเรืออาจารย์ทองอินกุศลจิตโตวัดสันติธรรมเชียงใหม่ 41. อพระครูการุญธรรมนิวาสหรือหลวงปู่หลวงกตปุญโย ว, วัดป่าสารานิวาสจังหวัดลำปาง 42. หลวงปู่ชื่นพุทธสโรวัดยานเสนอายุทยา 43. สพระครูจิตตวิโสธนาจารย์หลวงพ่อหนูจุดจิตโตวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ 44. หลวงปู่ขานฐา น, ฐานวโรวัดป่าบ้านเหล่าเชียงราย 45. หหลวงปู่ตื้ออจละธรรมโมวัดอรัญยวิเวกจังหวัดนครพนม 46. หลวงตาประสิท ธ, ธาวโรวัดถ้ำใหญ่ปริกจังหวัดชนบุรี 4ี่ิบเจดหลวงปู่ผางจิตตะคุตโตวัดอุดมคงคาคิริเขตจังหวัดขอนแก่น 48. ปพระครูสุธิธรรมรังสีและหลวงปู่เจียจุนโทวัวดป่าภูริทัตปฏิปทารามปทุมธานีและ49ิพระครูวรวุฒคุณรือหลวงพ่ออินอินโทวัดคันทาวาทวัดทุ่งปุยจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้เท่าที่สืบห า, ามาได้แล้วก็มีหลักฐาน เรียบร้อยก็ยังมีอีกหลายรูปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะนำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันในลำดับต่อไปครับการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยเป็นมงคลข้อหนึ่งในมงค ล, ลสูตร38ประกา ร, การการบูชาคือการยกย่องเลื่อมใสด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่เสแสร้งแกล้งทานั่นหมายถึงกิริยาอาการสุภาพที่แสดงต่อผู้ที่ควรบูชาทั้งต่อหน้าและรับหลัง ซึ่งการบูชาในทางปฏิบัตินั้นมีอยู่ด้วยกันสองวิธีคือการบูชาด้วยสิ่งของเขาเรียกว่าอามิสบูชาและการบูชาด้วยการตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนตามแบบอย่างที่ดีของท่านเรียกว่าปฏิบัติบูบชาซึ่งอย่างหลังเนี่ยเป็นการบูชาสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องบุคคลที่ควรบูชาคือบุคคลที่มีคุณงามความดีควรค่าแก่การระลึกถึงและยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตาม มีอยู่ด้วยกันเป็นจำนว น, นมากเช่นพระพุทธเจ้าพระสงฆ์พ่อแม่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงบุคคลที่สมควรแก่การสร้างสถูปไว้บูชาไว้เพียงสี่จำพวกที่ควรแก่การสร้างเจดีไว้บูชานะหนึ่งพระพุทธเจ้าเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลพิเศษมีพุทธาบิยว่าเมื่อมหาชนยังจิตให้เลื่อมใสว่านี่เป็นสถูปของพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพวกเขามีจิตเลื่อมใสในสถูุปนั้นแล้วเบื้องหน้าจะตายเพราะกายแตกก็ยอมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์สองก็คือพระประเจกพุทธเจ้าเหตุที่พระปเจกพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลพิเศษจำนวนหนึ่งนั้นทรงมีพุทธาทิบายว่าเมื่อมหาชนยังจิตให้เลื่อมใสว่านี่เป็นสถูปของพระปเจกพุทธเจ้าพระองค์นั้น เขามีความเลื่อมใสในสถุนั้นแล้วเบื้องหน้าแม้แตกกายทำลายขันก็ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์สพระอระหันต์ในพระสูตรกล่าวว่าเป็นพระตถาคตสาวกซึ่งปกติหมายถึงพระอระหันต์เหตุที่สาวกของพระพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลพิเศษจำพวกหนึ่งนั้น มีพุทธาติบายว่าเมื่อมหาชนยังจิตให้เลื่อมใสว่านี่เป็นสถูของพระสาวกผู้มีพระภาค พ, พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพวกเขายังจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั้นเบื้องหน้าแตกกายทําลายขันไปแล้วก็ย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์และสี่พระเจ้าจักพรพรรดิเหตุที่พระเจ้าจักพรพรรดิทรงเป็นบุคคลพิเศษจ้ำพวกหนึ่งนั้นมีพุทธาติบายว่าเมื่อ ม, มหาชนยังจิตให้เลื่อมใสว่า นี่เป็นสถูปของพระธรรมราชาผู้ทรงธรรมนั้นพวกเขายังจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั้นแล้วแม้แตกกายทำลายขันก็เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ครับนั่นคือเรื่องราวของอพระมหาเจดีย์ต่างๆสถานที่ที่เป็นที่บรรจุพระาธาตุนะครับ ในจุดต่างๆที่ผมนำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังเริ่มตั้งแต่เรื่องขององค์พระธาตุเจดีย์ที่บุคคลควรจะไปบูชากราบไหว้กันในสิบสองนักษัตรคือเกิดปีไหนก็เลือกสรรไปบูชาเจดีย์ JD ของตนหรือว่าจะบูชาเจดีย์องค์อื่นๆก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับเป็นสิริมงคลด้วยกันทั้งนั้น วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ